ก <ider> <world> <Jin cción> ็้อ <Stephen> น้อมต่อตลอรต่อมูสงทุกลเในธรร่ญจริโยมทุกคน เราก็มาพบกันตอนเช้าวันนี้หลังจากที่เราเข้ากรรมฐานเช่นธรรมาเฉพาะวันพระเพื่อให้เต็มที่กับการการะทําของพวกเราไม่ต้องแบ่ง เป็นส่วนตัวส่วนตัวในการเจริญสตกิการเจริญสติก็มีประสบการณ์มีบทเรียนในตัวแม่เราแม่ได้พูดได้พบกันก็ เราก็มีคำพูดโดยสาธยายธรรมในการประสบการณ์แต่การมีสติอยู่ทุกเวลาอยางน้อยก็เห็นความหลงเห็นความรู้เห็นความสุขความทุกข์สารพัสอย่าง ที่ผ่านดวงตาภายในของเราคือความรู้จึกตัวจะเหมือนว่าเราเดินเหยียบลงบนลกลงหลังจากอาการต่างๆที่เกิดขึ้นกับรายเกิดเราความหลงความสุขความทุกข์ อะไรต่างๆเรามีสติเห็นทีไดรู้ทีใดก็เป็นลอยแห่งสติอยู่ทุกที่ทุกทางกับอาการต่างๆ ท, ที่เกิดขึ้นกับป่ากระจเราจนว่ามีแต่ลอยแห่งความรู้สึกตัวในวนโลกคือกายพวกสอกยาวานาคืบ สารพัดอย่างล้วก็ไม่มีรอยอันอื่นมากเท่ากับรอยสติเหมือนกับเราทำนานรนาของเราแปลงนาของเราสีา่สิบพัาเศบไรนี่จะลอยเท้าของเรา้รอยมือของเราหรือเหมือนสุกะโต้อยมืออาจจะเป็น เม็ดเต๋าขอเราได้หยดลงที่นี่มามากเหมือนกันจึงเกิดเป็นสุกโตขึ้นมาใช่ลอยในกายในใจของเราเนี่ยมีรอยแห่งความรู้สึกตัวเราทําเรื่องนี้กันเมื่อมีรอยแห่งความรู้สึกตัวเต้นไปในกายในใจมมันใจในความสมดุลของ ชีวิตของเราหรือว่าเป็นมาตรฐานของชีวิตเราจากรอยแห่งความรก ล, ลุงรังที่เกิดขึ้นกับใจใจเราเนี่ยมีมากไปเกินความทุกข์ก็มีจีข้างจีหุน่นล ก, ก, น ก, น ม, ม, ก ม, นมันเกิดขึ้ น, นว่าความสุขก็มีจีข้ามจีหุ่นเกิดขึ้นว่าโอ้ยตกกองโขนเศร้าหมองต่างๆเกิดขึ้น ดีใจเสียใจวิตกกังวลเ่ร้หมองอ่ะมากเห ล, เลือเกินจนหนีไม่ได้มืดไปหมดเลยมืดแปดด้านเป็นเคตนั้นสำหรับลง้งตายเองสามีก่อนกลงคืนเป็นกวนกลางวันเป็นเรลวไม่ สงบเลยพอ่าลู่เข้าไปลู่เข้าไปลู่เข้าไปก็เป็นงานมันก็ลู่ลงไปแล้วลู่แต่ละข้างลู่แต่ละข้างนะอย่าไปคำนวณอย่าไปประเมินอย่าไปหาเหตุหาผลเอาเหตุเอาผลมาได้การกระทําอย่างนี้ไม่เหมือนทนํานา เราทำมาก็มีเศษเป็นแปลงเป็นแปลงแบบการกระทำที่เป็นการปฏิบัติธรรมนี้มันไม่เป็นรูปอย่างนั้นก็จะเปรียบว่าเราสอนหัวสอนขวาย ห, ว ห, วาหัวตัวเก่าหัวตัวเก่างาตัวเก่า ถ้าเราใช่ไปใช่ไปใช่ไปเขเป็นงานของมาันเิงแล้วก็ใช่ได้จากที่มันไม่เป็นงานไม่เคยเป็นงานเป็นการเมื่อเราใช่ไปเขเป็นงานเป็นการเทียมล่อเทียมเขียนเดินเข้าล่อเขาเขียนลากล่อลากเขียนไปตามจีบหมายแฝงทางทุกเข้าจากลาง น, นา ถึงยุ่งเข้าในบ้านเราไม่ต้องไปขับมันไปเขาเองมันเป็นไม่ใช่ประเมินชีวิตของเรามันเป็นทำให้มันเป็นไม่ใช่รู้ไม่ใช่รู้นะมันเป็นเวลามันหลงมันมีรู้มันเป็นแล้วเวลามันทุกมันรู้นี่ว่าม็นเป็นแล้วเวลามันอะไรต่างๆ มันเป็นแล้วมีแต่ความรู้เข้าไปมันเป็นงานแล้วงานนหะ่งความรู้สึกตัวเต็มไปหมดเลยไม่ใช่เต็มลุกลงหลังเหมือนกับลอยเท่าของเราเหยียบโหนนาไลนาของเรามันเต็มไปด้วยความรู้สึกตัวเป็นนามนธรรมนะเราจะงไปสร้างตัวนี้กันอย่าประเมิน อย่าไปหาเหตุผลถามลงไปเถอะทั้งไม่มีทั้ง ม, ไ ม, ม, ม, ง ม, ม, ม, มีไม่มีความหลงมีความรู้มีความรู้บมญญัความหลงหาไม่มีไม่มีอะไรบอกกันได้มันเป็นข้อมูลเหมือนกับคอมพิวเตอร์มันเก็บข้อมูลไว้เหมือนกับ โทรศัพท์ของเราหน้าจอนี่เดียวมันเก็บข้อมูลไปห้าพันหลายชื่อที่เราเลขโทรศัพท์ที่เราบันทึกลงไปในก็อจอแห่งโทรศัพท์เราเพียงนิ้วเดียวข้อมูลเป็นห้าพันเรื่องอยู่ในนั้นชีวิตของเรามันเกินแล้วมันเป็นแต่ความรู้จักตัว จนไม่มีอะไรเหลือในที่สุดไม่มีอะไรเหลือเลยยากจะพูดว่าไม่มีแม้เป็นอะไรในโลกนี้อันนั้นคือเต็มแล้วไม่ใช่เต็มแบบเข้าขึ้นยุ่งขึ้นฉาดน้ำเต็มโง่เต็มโง่เข้าเต็มกล่องไม่ใช่เต็มแบบแ้นมันเต็มนะคือมันไม่มีอะไรการเต็มของคุณภาพของชีวิตเราเนะ ชีวิตนี่ไม่มีไม่เป็นเอลยชีวเต็มแล้วมันว่างแล้วว่างจากความมีความเต็มความมีความเป็นมันว่างไปแล้วมันเต็มไปด้วยความไม่มีไม่เป็นตรงกรินภาพพอดีจีเกีมันว่างไม่ใช่บมันไม่เห็นมันเห็นมาแล้ว เห็นหลงเห็นมาแล้วเห็นทุกข์เห็นมาแล้วเห็นโกรธเห็นมาแล้วเห็นชีเลตตันถาเห็นมาแล้วไม่มันจริงไม่มีเห็นแล้วมันจริงไม่มีเป็นแล้วมันจริงรู้มีแล้วมันจริงเห็นเป็นแล้วจริงรู้ไม่มีคำถามหรอกถ้าเราหลงเราเคยรู้มาแล้วเราทุกข์เราเคยรู้มาแล้ว มันก็อันเขา่าเพราะตัวรูมันมันได้มันได้ทำหน้าที่ไว้แสงสว่างได้เกิดขึ้นกับแจกความมืดอันภาวะที่รูเนี่ยมันเป็นกุณธรรมไม่เป็นวัตถุที่ไปใช่ตลอดเวลาถ้าเรามืดเรามีไปฉายเดินทางจะ เข็มกรรมฐานมาถึงนี้ต้องใช่ตลอดเวลาแต่ว่าตัวลูกไม่ต้องใช่เลยมันไม่ต้องใช่มันมีแล้วมีแล้วมันไม่หายไปไหนตกด้ามไมไหลตกไปไม่ไปเป็นสมบัติของเราจะมาพ่นบาชี้ไม่ได้เลยอันนี้มันเป็นสตืนเหมือนนี้ กันเป็นลักษณะแบบนี้ไม่มีใครให้กันได้เราต้องทำว่าเองมีมาแล้วนานมาแล้วสามพันปีสองพันปีจนมาถึงพวกเรานี่ไม่ทรัพย์สลบอันนี้อยู่ในชีวิตเราอยากให้พลาดเจอพวกเรามันมีจริงๆมันเป็นจริงๆริงพระพุทธเจ้าเป็นศาสดา เคยพบเรื่องนี้มาอย่ามาวอดว้างกันเรื่องอื่นเมื่อลกงตาไปสอนธรรมที่สิงคโปร์พูดเรื่องเวทนาเป็นทุกข์สัญญาเป็นทุกข์สังขารเป็นทุกข์เขก็บอกๆฉันไม่เป็นทุกข์กขออกกตรงไหนอ่ะไม่เห็นมีทุกข์อะไรบ้านก็มีอย่างดี อาหารก็ไปหอดไม่หยากเงินเดือนก็มีเยอะพี่น้องก็มีมากพีเป็นคนดีดีสุขภาพก็ดีไม่เคยเจ็บไข้เลยป่วยอโอ้อนนั่นหรือเป็นเรื่องดีอ่ะฮะถ้าคนเจ็บอ่ะถ้าคนแก่ถ้าคนตายอ่ะมีอะไรดีตรงนั่นหรือเปล่า เขาลยบอ่าเอออันนี้ยังไม่มีเลยเมื่อมีความเจ็บคุณมีความไปเจ็บไหมเมื่อมีความเจะคุณมีความไปเจอะไหมเมื่อมีความตายคุณมีความไปตายไห ม, ไมเขาตอบไม่ได้เราจึงมาสอนเรื่องนี้ไปแช่มาอวดบ้านกันแคแต่สีทษะมีบ้านทั้งสามฤดูเป็นเจ้าฝ้าชายมีสนมกำดังไหน องไม่เบีย น, นี่ไม่มีอันไม่เกิดไม่เจ็บไม่เจ็บตายจึงเสื่อหาเรื่องนี้กันเพื่อเราจะเอาอันอื่นมาต่อรองบางทีเราโอาความแจ่ความเจ็บความตายมาต่อรองเพื่อทำานา่งนี้ไม่ใช่เลยอะจะบ้างอันแก่แล้วอันสุขภาพไม่ดีอะไรต่างๆไม่ต้องออมา นั่นแหละยิ่งดีจะได้เป็นคู่กันก็อมองเถอะว่าเมื่อฉันเจอก็มีไม่เจอยู่ในตัวความเจ็เมื่อมีความเจ็บต้องมีความไม่เจ็บอยู่ในความเจ็บเมื่อมีความตายต้องมีความไม่ตายอยู่ในความตายมองเป็นคู่แฝะเมื่อมีความหลงต้องมีความรู้นั่นเริ่มต้นแยกทฐานเลยเมื่อมีความทุกข์ก็ต้องมีความไปทุกข์ อ่นยากกันได้เลยเหยียบไปเลยสิทธิของเราที่ต้องขานตรองให้กันแล้วก็ขึ้ น, ข, นขึ้นทางมาแล้วค้อถางมาแล้วมีรอยไหมรอยแห่งความรู้สึกตัวที่เราเดินใช้ชีวิตร่วมกันมาที่สุกโตนี้ผมมีรอยเห็นความรู้สึกตัวไหมสี่สิบกว่าปีที่ผ่านมานะี่ยผมมีรอยนะ โย่พุทธยานลอยชีวิตอะไนี่ไม่ลืมไม่ไหนไม่ใช่สี่สิบกว่าปีมันเป็นวันนี้ของเราด้วยนะอักโหวันนี้ของเราด้วยพูดกับหมอคำผลช่วงหายใจไปได้หมอไม่ต้องห่วงนะอาจจะลองพ่อมีประสบการณ์แล้วนี่ สี่สิบกว่าปีสี่สิบกว่าปีมันเป็นมันนี้มันเป็นวินาทีนี้ไม่ต้องห่วงอันนี้คือเป็นทําให้มันเป็นไม่ใช่ความรู้ความรู้ที่เป็นความจำเน่ยไม่ใช่เลยความรู้ที่เป็นเหตุผลไม่ใช่เลยเป็นการกระทำที่มันเป็นแล้วนะเราจังมาทํากัน อย่างนี้ก็ให้ฐานนั้นแต่พวกเรามาพบกันนั่งแต่ครั้งแรกแล้วว่าฐานอยู่ตรงไหนก็อยูต่ตรงนี่แหละคือภาวะที่รู้เฉยแต่มันไปไหนก็เป็นความรู้ึฉกตัวเอาไว้อาจจะเป็นความสุขอาจจะเป็นความทุกข์เป็นความรู้มากมายจินตญยานวิปัจจนนไม่ต้องกลัวบางคนกลัวกลัวจะผิดตรงนั้นกลัวจะ เป็นโทษอย่างนี้บางคนก็กลัวว่าจะไม่ได้อะไรไม่ได้อะไรเลยไม่ต้องมาคิดแบบนั้นไม่ต้องไปกลัวแบบนั้นนะว่าแต่รู้นี่เป็นฐานจะดีแล้วนันต้องมีฐานดีที่ตั้งไว้ให้เรารู้จึดตัวเลยรู้ถึงตัวมันอยู่ที่ไหนเนาะ ไม่ต้องขอใครมันต้องมีมีการเวลาตอนเช้าตอนเย็นมีทุกโอกาสแล้วก็ไม่ต้องสร้างด้วยเราใช้ได้เลยเอาจึงใช้ความรู้สึกตัวให้มากมากไม่ต้องสร้างใช่ไปนในกายใช่ไปนในเวทนาใช่ไปนในจิตใช่ไปนในความสุขความทุกข์ได้ทั้งนั้นบันมีไหมกายมีไหม เปนธนาที่มันเป็นจุกเป็นทุกข์มีไหมความคิดที่มันคิดตนคิดนี่มีไหมการเกิดอาการต่างๆเป็นธรรมอารม์เป็นธรรมกุศลอกุศลเกิดขึ้นในจิตใจเรามีไหมใช่ไปเลยรู้ไปเลยรู้ไปเลยอย่าให้มีตรงไหนที่ปิดบังอำพรา ง, างถ้ามันมีให้ดูมันไม่ลับไม่รีชีวิตเรามันแสดงอยู่ ถ้าเป็นน้ำมันก็ไหลอยู่อันใหม่ไหลมาอันเก่าไหลไปเราเดินนั่งอยู่บนจุดเดียวมันก็ไหลไปหรือเปลี่ยนเหมือนตเหมือนหลักที่ปักอยู่กลางน้ำไหลไปแล้วไปอีกแล้วก็อยู่ตรงนั้นไม่ไปไปไม่ได้ไปตามน้ำที่มันไหลไปเรารู้อยู่เราลู้อยู่ นี่คือฐานที่ตั้งไว้รู้ไว้รู้ไว้ตัวรู้เนี่ยมันไม่ไม่หมดแรงไม่ต้องออกแดงอย่าไปนึกว่ามันออกแรงต้องสู้กับความหลงไม่ใช่นะถ้าจะาน้ามันจะเครียดคิดหลงไปแล้วเอาดึงกละปาไม่ใช่ เพียงแต่รูปเบาๆความดักเพิ่งมาลูบมันก็เบาความยากเบื่อลูมันก็ง่ายไม่ใช่ว่าความยากเป็นความยากความหนักเป็นความหนักลูปมันก็เบาเบาๆันที่ปฏิบัติทำมันต้องเบาๆยิบๆแจ่มใสอจ้งน้องจ่าไปบอกไปเพื่อกับโยมแม่อกเออยิ่งยี่แบบนี้แหละนะ ยิ้มตลอดเวลาได้ไหมอมยิ้มใช่ ย, ยิ้มยิกให้เห็นเหงือเห็นกวันอ่าแ ม, ม่มันมันมีโกรกยิ่งนี้แบบนี้มันโกรก็ยิ่งแบบนี้มันหลงก็ยิ่งนแบบนี้มันยากก็ยิ่งนี้แบบนี้อะไรที่มันไให้หนักก็ยิ่งเย็บอย่างนี้เบาๆอย่างนี้นมันเบาเยิงเยิงหรือว่ากายละหุ่ตาเบากายจิตตละหุ่ตาเบาจิต เรารู้จักตัวพายเบาๆดูเถิไม่ใช่เบาแบบจะห่อเงินเดินไปเบาจะไม่มีตัวเป็นตนที่ยห่าหินห่อเหินเดิน้าที่ไปรองรับความสุขความทุกข์ไม่มีที่วางเหล่านั้นเบาตรงนี้แล้วเพราะนั่นฐานยังมีเราได้ฐานแล้วไปไหนก็ไปเถอะ ไม่ใช่อยู่สุกโตไปไหนก็ไปไปไหนก็มีความรู้อยู่นั่นแหละไม่มีการเวลาใดที่จะทำให้เราไม่มีโอกาสที่เกิดความรู้สึกตัวไม่มีเลยในโลกนี้เราลูกสึกตัวลูกสึกตัวไปอย่างนี้อ่ะไปทำจนหน้าดำข้างเทียด จนไม่หลับไม่นอนก็ไม่ดีดีแบบนั้นบางทีมาอวดกันไม่ต้องนอนในสัคิที่ดงเขาก็ไม่นอนนั่งมีอาจารย์เลิศดังสามสิบกว่าปีไม่นอนเลยลูกศิษย์ลูกหาเยอะแยะอาจจจย์ไหมโอ้ยอาจารย์ทำได้เราทำไม่ได้ หมดเลยการไม่หลับไม่นอนเป็นเรื่องของอาจา์แล้วแต่เราทำได้จาลงลังกลังกบลังกงจะเป็นนั่งตาน้อยตานี่ก็ไั้ไม่ได้ถึงสามสิบกว่าปีชีวิตก็ธรรมดาเนี่ยยืนเดินจัง่งนอนพระพูธเจ้าว่ามีสติ ยู่กับการยืนเดินนั่งงอนมีสติอยู่กับการคู่แขนเขา้าการเหยียดแขนออกมีสติอยู่กับการเดินไปข้างหน้าเดินไปข้างหลังมีสติอยู่การมองหน้ามองหลังมองซ้ายมองขวามีสติอยู่กับมอมจิบสะบงรงกยงวนมีสติอยู่การ ก, ก บ, บการฉันเอาทุกอย่างเลยในกายในใจมีอริยบทแบบไหนไม่ต้องไปบงังคับบาน มันก็จินได้มันก็หิวได้มันก็ล้วนได้มันก็ดาวได้มีสติเรื่อยไปไม่ใช่ไปหลับไปนอนแต่ลองตาเคยฝึกมาเหมือนกันมานั่งเพ่งแสงอาทิตย์ให้ตาไปต้องกับพิพย์แล้วก็หัดมาเพ่งที่กดเราก็หัดตามันเหละเลย เส้นขี้กดอนคนนีตาเล่เอตาตาเลยไปเกือไปคืนมาเราก็นอนอยู่ใช่ไหมอ้าเราจะเอาสติเอาตาไปเึ้ี่กดกดมันไม่อยู่ น, นมันไหลใช่หมมันไหลอ ย, อยู่เรื่อยเหรอแล้วก็เอนไปเไปิงไปเอ็งเอาเกมาไมกันไหลไตาเลย ไ, ไปเลยไม่ใช่เลยตอนนี้ ไม่ใช่แบบนั้นไม่ใช่ไปเอาวัตถุมาเป็นการกําหนดจิตใจเราวัตถุภายนอกก็ได้แต่ว่าไม่ใช่เป็นเรื่องตลอดเวลานะเราเอาจิาาติไปต้นฐานเกิดฐานแก่ฐานอันนี้ก็ได้หาดเอาไม่ต้องไปที่ขนาดนั้นอยืบต๋อฟองนอก็ไม่ต้องขนาดนั้น เป็นขั้งข่าวได้ฝึกหัดทุกวิถีอาวุธยา น, น, นไ้จำ د า ن เหมือนเราเล่นกีลาเอาเอาแบบแหงก็ได้งั้นเราเล่นปักตะก้อเอาคนหนึ่งเอาลูกตายแช่ลูกตายตั้งให้ส่งมาคนหนึ่งตั้งไว้คนหนึ่งเอาให้เอาให้ตาย ให้คนหนึ่งตายจนแช่ไม่ได้เอาลูกตายส่งลูกตายไปคนหนึ่งก็รับลูกตายไปตั้งลูกตายไว้ขึ้นมาคนหนึ่งเอาให้ตายไปมันต้องเล่นกันเอะเอาแช่เอาชนะกันแบบนั้นการปฏิบัติธรรมเนี่ยมันมีลูกตายเหมือนกันมีลูกหลงมาก็ตั้งปัตตีเตะมันจะสุข รู้ันติมีทุกรู้ันติได้คนคนเดียวเลยสติตนเดียวมีทุกทุกรูปแบบได้ทุกอยาก่างกวารู้สึกตัวเดียวใช่ได้เสพประโยชน์ที่เราสร้างที่เรามาทำตรงนี้ไม่ใช่เป็นขอใครอยู่ในตัวท่านอยู่แล้วจึงไม่ต้องไปนูอนไปอะไรไม่ต้องไปใช้อย่างอืงอ่นมีสตินี่แหละ การไม่หลับไม่นอนก็ได้อย่างที่เบสเขาไหว้พระตลอดวันเขาก็ทำได้บางทีจะให้เราไปไหว้ตลอดวันมันเขาอาจจะไม่ค่อยได้การไหว้พระของคนที่เบตเก็จะมีกระดานไม้กระดานหน้าสิบอย่างน้อยนะ <c oughs> อันนี้หน้าแปด ก็ลุกขึ้นยืนเขาก็ยกขึ้นวาง ม, มือก็เมยลงไปเมยลงไปมือเหยียดไปขาเหยียดไปให้ตรงเอามือหน้าอกทุกส่วนหน้าปากจดกับพื้นก็ลุกขึ้นมายืนขึ้นแล้วขึ้นไปแข่งกันหลงตาไปแข่งกันกับพวกที่เบตอยู่ที่พุทธคยาเอา้าที่เบตอาจจะหนุนกว่าเรา เราก็จะเก่งถ้าจะเปรียบเทียบกัน brief, มันไหวนะเขาหวเขาหวเก่งเขาเดินอยู่เคี่ยงทางมานันอ่ะมันไหวเราก็เดินกบไปกบม า, งางมันไหวอยู่มันจะเจงขนาดไหนมันจะหวเก่งขนาดเราเดินเนี่ยเรามีความรู้สึกตัวกางหวเรามีสูดตัวอยู่กลางเดินเขาเคลื่อนไหวเราก็เคลื่อนไหว เขาก็ใช่ความรู้สึกตัวอดีตบทเดินเขาใช่ความรู้จึกตัวอดีต บ, บ้าหหรือว่าเขาทําเพื่ออะไรเป็นพิธีเฉยเรามีสติกับการเดินเขามีสติกับการไหวาอาจจะได้อะไรยังจะสะดวกเราต้องไปเอาแบบนั้นตลอดไปเลยเห็นคนที่เบียดไป สังเวชิษฐานที่ใดที่เทพปไหว้กันตลอดเวลาปีนี้ไหวจะไปแข่งกับที่เบียดจะไวไหไ <c oughs> เนอเจ็บก็มีคนนิมนต์ไปอินเดียเขาจะไปบวชให้เราตาพาไปบวชล้างถามจา์ต้มเจียให้ไปมไหมคิดว่าไปได้ั้ยถ้าไปอินเดียเนะย่ยยานี้ไปไหนไปอยู่พุทธคยา บวชก็บวชที่นั่นบวชแล้วสอนธรรมะกตนั่นปฏิบัติธรรมกตินั่นว่า mm hmm. มันได้เพียงแล้ะรอมเลยนะถ้าไปอย่างนี้จะไปอยู่ถ้าจะไปเที่ยวโนอนเที่ยวนี้ไม่อยากไปไปเหน็นมาบวชแล้วอินเดียล้อนะรอบประเทศอินเดียแล้วปีปีนี้ใช่ไหมปีนี้ก็ไปมาแล้วไปถึงปลายคีจฐานแล้วรอบทุกที่แล้ว ล่องรอยพุทธเจ้าอยู่ที่ใดไปตามดูรอยบดเ mm. นปันเข้าไปแล้ว mm. ออินโดนีเซียก็ไปที่ไปดูบรมพุทธโธแต่ว่ารุ่นสาวกหลังๆเพราะนั้นถ้าไปก็ไปจะไปเดินแข่งกับที่เบตสจนจงกรมแข่งกันกันกนดูเขาจะไหว้สนาน ไ, ไหนเพราะนั้นความรู้สึกตัวเนี่ย สารพั์อย่างเลยเอาชาติไมาใช่เป็นรูปแบบเอาไม่นอนเคยไปอยู่ถ้ำเขาหนีไปแช่งขันกับพวกไม่นอนเราก็เดินตะโกบตลอดคืนแต่เราก็ดูพมีสลานะก็ทำสลาเป็นถาบาทเขากางนุ่งข้อป้ยสองค้งก็มีหมอนทักหลังก็เมีหมอน ของข้างมีหมอนเท้าไ้กันหลับกันจ่อยเราก็เดินนังกรมเนี่ยถ้าเขาไปนั่งหลับเนี่ยแล้วนอนหลับจะไม่ดีกว่าเลยไม่ใช่เลยไม่ใช่แบบไปไม่นอนเลยหลับก็ได้นั่งหลับก็ได้แต่ว่าไม่มีสติกับการเดินไม่วิประโยชน์เลยไปมีความหลับกับการนั่งเอาความไม่นอนมาเป็นความถูกต้อง มใเคยฝึกฟัก ม, มันกัดเราหลายปีห้าร้อยสิบแปดเนี่ย mm. ขเขาอาหลมงพอปัญญาลันทะให้เป็นหัวหน้าพระใจสิงอบรมพระใจสิงเกิดขึ้นประเทศไทยเป็นครั้งแรกเจ้ากุณปัญญาันทะให้เป็นหัวหน้ากักบอาจารย์ที่อยู่ที่ไม่นอนมาสามสิบปีเนี่สองโูกหัวหน้าก็สองโูก พอด้าลกหนึ่งไปนั่งโชว์ไปอยู่ที่ใดเดินท่าดองมาสามเดือนจากกรุงเทพเออกมาทำาริยัตว์สะบุรีแล้วก็ไปเที่ยงถังจำอะไรไปภาคเหนือไปสามเดือนลูกจิตที่ฝึกเก็บจิบลูกไปอยู่ที่ใดไปนั่งงาตาไหลอ้าปากหลับกันอยู่แล้วก็ไปดู พอไปดูแล้วตอนเย็นทำวัดตอนตอนเช้าทำวัดก็มาพูดของตางก็พูดออเราไม่ไม่อยากให้พวกเรานั่งน้ำลายไหลอาา้าปากสับ ป, ประโคกคนมาดูเราว่าไม่น่าดูเลยถ้าจะหลับก็ต้องต้องมีที่บงังกลางวันยมรรมาทาบุญเขาไรู้เราว่าพระใจจริงผ่านมาที่นี้ เราก็ไม่อยากให้เป็นนั่งอาบว่ากำลายไหลลอยตวอเห็ลูกจิตเราก็บอกอาจารย์โน่นก็ให้นั่งหลับตาเราบอกให้นั่งหลืตายยกเบอร์ใช่าะไม่ใช่ใว่าก็รู้จิงตัวจะไปนั่งหลับแทะมันไม่น่าดูอ ก็กวรจะขนส่งเรื่องนี้ได้ต้องพอสบควรบางคนพอปฏิบัติทำปั๊บก็ไปลั่งหลับตาไปเล ย, เลยได้เหมือนกันแต่พยายาให้หลับนะมีฐานเอาไว้อาจจะลมหายใจอาจจะลู้ตัวทั่วผอมก็ได้หลับก็ได้ไม่เป็นไรการหลับตาก็เป็นความเป็นความพักผ่อนของประสาท หลงตาเคยไปดูคนป่วยจะไหเป็นหมอเป็นฆราวาส น, นะนั่งหลับตาอยู่ได้เป็นเดือนเดือนไม่ต้องหลับแต่มล้ก็มีพักผ่อนมันหลับตาเฝ้าคนป่วยดูคนป่วยมันก็มีม่ก็ได้บุกระหไม่ต้องไม่ต้องไปนั่งสับ ป, ปะโกให้คนเห็นนะนั่งหลับตาเฉ ย, เฉยๆดูคนป่วยพร้อมที่จะได้ยิน คำล่องคำคางการนะบอกเอาลุกเอานอนไม่ยินใช่ได้ทุกโอกาสไม่ใช่หลับไม่รู้อะไรนั้งหลับตาก็ได้แต่ว่ามีความรู้ตัวทัว่พร้อมต่นนั้นก็ตัวรู้ตัวเด็ะโอ้เลยแหละพวกเราบรรทานถูกต้องแล้วไม่ใช่ไปใช่อันดุบที่มันเป็นอันเด่นเลยฮนะ นั่งก็ได้ไม่ลุกก็ได้แต่ว่าต้องอย่าไปนั่งหลับนะทำทำวินัยเนี่ยพิจูจะหลับกลางวันให้ปิดประตูทำไมจึงมีวิ น, นัยข้อนี้เพราะคนจะมาเห็นพระนอนไม่ปิดประตูบางทีก็เละเดือนเดือนถ้านุ่งพระหมหลุดลยุยนอนโก น, นอนคางอ้าปากไม่สำรวม มันเป็นที่เสื่อมศรัทธาของคนมาดูพระวีนายจึงบอกให้ปิดประตูซะถ้าจะนอนนายกฎก็ปิดไว้จะให้คนเห็นถ้ากดมันมุ่งมันบางเอาผ้าจีวร้อนข่ ม, มใช่ไหมเห็นถ้จะนอนนะนอนได้แต่ <c oughs> เราจะไปนอนแบบอ่าเปือป่อยๆล็อกรวลังให้คนเห็นแม้แต่พวกเราทุกคนเหมือนกันอันนี้อะไรหมดแต่ เราจึงชั่วที่สุดแล้วการมีสติแหละไปได้ทุกทุกแบบไม่ใช่เอาฐานเดียวหายใจเข้าออกมาตั้งเหนือจะดื้อสองนิ้วก็ได้เลื่อนขึ้นมาหน้าท้องเลยขึ้นมาปอดหน้าอกคอมาอยู่ที่ขึ้นมาสมองค่อยลงมาลงมาหย่อนลงมาตามฐานต่าง ทำมาตั้งไว้เงาจะดือสองนิ้วใบกมสำงานหลังสำงานหลังก็ได้ไม่ว่าอะไรถ้าใครจะลองก็ได้หรือหายใจเข้ายุพองหนอหายจะออกยกนอลองดูที่น้าท้องก็ได้ถ้าเรามันเคลื่อนไหวไม่ได้เวลานอนป่วยก็ได้หายใจเขารู้กสกายจออกรู้สึกก็ได้ไม่จำเป็นต้องมาสร้างจังหวะตลอดเวลา ลูกศิษย์หลวงพ่อเตียนท่องสร้างจังหวะไมาใช่เลยไม่ต้องสร้างจังหวะก็ได้เพียงแต่รู้ตัวท่อพร้อมได้ทางนั้นหรือนอนเจ็ บ, บนบอนป่วยกระดุกนิ้วมือเล่นๆก็ได้หายใจรู้สึกตัวได้ทางนั้นจะไปยึดเืรสร้างจังหวะนอนป่วยร่กันอนา น, น, นก็ได้อะด่วนที่เราสร้างจังหวะเพื่อเพื่อมันหลงเดีย๋ยวเราสร้างจังหวะสิบสี่จังหวะเนี่ย เพื่อหัดเพื่อหัดมันรูปเป็นคั่งรูปเป็นคั่งรูปเป็นคัง่งถ้าเรามาลูรูปทํานามทําเนาเอาไว้ไปก็ได้เพื่ออะไรให้มันทันต่อควาให้ความรู้จิงตัวมันเต็มมบหอันนี้ก็ได้นะคุณวินะหลองต่อทาแบบนี้ก็ได้นั่งในมุ้งในพระห่มมันหนาวห่มคุมหัวเล้วก็นั่งในพระ ห, ม <c oughs> ม ห, ระหม ง, หงะหม ดีดีอยู่เมืองเลยมันหนาวเาหมนวมดึงไว้ไม่สเละเฉลมันดึงตัวไว้เพมจะไม่อาจจะไม่ต้องยกเบอเลยเปิดเครื่องเาห่มใช่ไหมเขาห่มมันเปิกุ ม, มัวไหมเอามือมาไมาาด้เหมือนกันม่ใช่ลูกชิ้นต้องเพอเทนต้องสีๆจังบวะอันนี้ตลอดเวลาไม่ต้องทำนี่ก็ได้ ไปตายก็ได้เขามันจะตายหายใจไปออกเามันก็รู้ตันนั้นแหละเอามันหายใจไปมันต้องหายมันแหละมันจะไปลมหายใจสติตามลมไปไม่ได้แล้วหายใจไม่เข้าแล้วเมื่อมันหายไม่ได้ก็เพื่อหายมันละเมื่อเราไปต้องหายใจอ่ะเมื่อมันหายใจจะประโยชน์หลังเอาไม่ต้องเป็นอะไรกับมันละมันก็อยู่ได้นะคุณวิทย์นะ เราพยายามเอายจ่บางเรื่องเราบางอย่างอดีตบทในชีวิตเราเนี่ย <c oughs> จะเปนั่ตายเหมือนว้ยหลางเด็เราชื่อของชื่อก็ได้อาายก็เชียบมนเอ๊ะ <c oughs> จะไปไปหลบตายที่ไหนนามาเห็นตัวตายแบบลำบากอาจารย์ต้มไม่หลับไม่นอนเลยเบื่อยังไงเอ๊ะจะตายตรงไหนเนาะจะทำแบบเว้ยหลางได้ไหมนา ใช่ไหมเวลาใกาตายเอา้ําเอาอะไรออกหมดดังหมดเลยให้ก็ได้เอาอันดันก็ได้แต่ว่าไม่จะเป็นเสมอไปนะนอนตายก็พกเจ้าเราก็จะเสียสิยาินิพพานยังข้างข้างซ้ายข้างขวา ไอ้พระพระรปปางนิ้่านได้แต่นั่งเหมือนไว้หลังกระลาแต่ว่าเมื่อถ้าเหมือนกับพวกาาศาสนาพวกเคนเขาเขายืนไม่รู้ผ้าเลยยืนจนถ่าวัน เที่ยวตัวก็หนาเยินตาย อ, อยู่นะแล้วลอคนจะมาทำบุญตักบาตก็เอาข้ามาใส่ปากให้เขินเอาน้ำใส่ปากให้ใหเจ้าปานั่นหรือพวกเราฮะกินเองไหมหรือตอนนั้นก็เป็นศาสตรานะอย่าหลงนะมีเวลาเราไปอินเดียเนี่ยถ้ำอัชัน ต, ต้าเป็นของพุทธทอมาโร ล, ล่าเป็นของเศษเคนไม่ใช่เซนดักเคน ศา ส, สนาเคนเลยกายเดี๋ยวนี้ยังมีอยู่โอ้สร้างท้ำเหมือนกันแข่งขันกันมีทั่วไปเขาทำขึ้นทีหลังแข่งกับพระพุทธเจ้าแข่งกับภาษาโว้ในที่ใดอย่างพุทธคยาก็มีที่ของพวกเคนพวกฮินดูในนีโคต ตอนผันเข้าลังสุจดาเดี๋ยวนี้เขายึดเอาเป็นของฮินดูเขาสร้งศีบุญเหลืองไปเราไปก็เห็นศีบุญเหลงไม่ใช่เห็นพระพุทธลูกในอิชิปตนะที่พุทธเจ้าแสดงพระธรรมเทศนาครั้งแรกก็มีฮินดูอยู่เพราะนั้น อ, อย่าหลงเอารูปแบบต่างๆไม่เป็นไรมันเป็นสาสนาวัตถุต่างกัน แต่ว่าตัวสาธนธรรมเนี่ยเหมือนกันหมดเลยนี่ยอดเยี่ยมนะสาร ธ, ธรรมคือสติเอาเห็นดูมีสติได้ไหมพวกคิดมีสติได้ไหมอิสลามมีสติได้ไหมได้ทั้งนั้นสา ธ, นธรรมเหมือนกันต้องตรงนี้แน่นอนที่จะเดือเกิดเดือการเกิดเจอิญตายไม่ใช่สาร ธ, ธ ร, รพิธีสาร ธ, ธ ร, รวัตถุ ศาสนาบุคคลไม่ใช่เลยศาสนาบุคคลก็ต่างกันแม่พุทธศาสนาของเรานะ่ยศาสนาบุคคลนะ่ยอย่างพวกปัญญ า, าลุ่มห่มไปแบบหนึงพวกมหาเถรว่ า, ว า, าก็ลุ่มห่มไปแบบหนึ่งมันต่างกันอยู่แต่ว่าศาสนาธรรมเนี่เหมือนกันหมดหลวงตาก็เหมือนกันเนนก็เหมือนกันอิวาสิกาในีชียวยอดยมเหมือนกันหมดมีสติเหมือนกันเลยอันนี้สาคน เป็นอันเดียวกันถ้าใชกลัวอะไรเรารู้สึกตัวเดี๋รู้สึกตัวเดี๋ยวนี้ความรู้สึกตัวที่มีของพุทธิย้าอันเดียวกันเนี่ยศาสนธรรมงั้นใจเถออยู่ที่ใดที่ใดก็ตามเรามีหลักกันนี้ไว้วิธีเจือเหลือกังเคยเจ็บตายอันนี้แท้ๆไม่ใช่อย่าไม่ใช่ไข่ญาติพี่น้องทรัพย์เงินทองไม่ใช่เลย เป็นอริชัพย์ของเรามาสร้างกันเถอะมาทำกันเถอะให้มันมากขึ้นไววเพราะเราก็มีเรื่องนี้กันมีวัดว่าว่าใช่ไปแสดงธรรมอยู่ทุ่งนานั่งคันดาแสดงธรรมเราก็มานั่งพูดกันที่นี่พิจาราอย่างนี้มีที่พักที่หับที่นอนพอสมควร ต้องมีอย่างนี้เกณฑ์มาอย่าไปเอาอันนี้สาระวัตถุนี้มาเป็นเครื่องผมด้วยผมเครื่องได้แล้วทําได้แล้วทำไม่ได้ความรู้สึกตัวทุกคนทําได้ยึง่งตบปกคลุมเราเราทำได้เทียบไหลเลยเคยคิดเรื่องนี้เหมือนกันหลงวงตาสมัยปฏิบัติกับหลวงพู่เทียน เป็นโยมไปปฏิบัติอยู่หลายวันอาทิตย์หนึ่งสองกออาทิตย์ไม่รู้อะไรประเมินตัวเองโอ้ยหลว่อเทียนพูดทีอะไรหลว่อเทียนเขาพูดว่าการทำบุญให้ทานรักษาฉินเป็นอันหนึ่งการเจริญสติเป็นอันหนึ่งเคยทำบุญมามากสังกัดฉินทุกปีทําบุญบ้านทุกปีบวชพระทุกปี ให้เราไม่ทําเหมือนหลวงพ่อเทียนปฏิบัติตทํามได้มันทําให้รู้ธรรมะไม่ใช่เรื่องนั้นเราก็มาเฉลอเราไปรู้ธรรมะไปแต่ทำบุญกรเถิน่นพร่อไปพ่อไปแต่สร้างของมวดเราเป็นคนโจนเราจึงไม่บรรลุธรรมมาเช็ดผมร่อยขึ้นปาก็เลยไปถามหลวงพ่อเทียน หลวงพ่อผู้ปฏิบัติกับหลวงพ่อเลยไม่รู้อะไเลยมีไหมไม่มีเขาสเสือตัวหงงเป็นผมเนี่ยหลวงพ่ อ, อยังไม่รู้เลยเลยอาทิตย์กลัวๆแล้วว่าเถียนเขาว่าจับมือเอาจริงเลยเอาจริงหลว ง, ง, ง, งพ่อต้องทําเหมือนหลวงพ่อบอกเลยหลวงพ่อก็ต่อรอกเคยทํา หารเดือนหนึ่งได้เงินกี่บาทถ้าเงินเป็นพันบาทแล้วเดือนหนึ่งอ้อาถ้าอยู่นี่ปฏิบัติถรมแบบนีเ้เดือนหนึ่งไม่ไม่รู้อะไรเล ย, เลยจะให้เงินพันบาทสองเดือนจะให้เงินสองพันบาทสามเดือนให้เงินสาม พ, พันบาทถ้าไม่รู้อะไรนะจะต้องทำจริงๆนะเราเดือนอคุยคุยอวด แล้วเทียบอะไรกับหลวงพ่อเทียนลังเป๋อก็ถามหลวพ่อหลวงพ่อปฏิบัติธรรมแบบนี้อายุเท่าไหร่หลวงพ่อเดียนว่าอายุสี่หกปีตอนนั้นเราอายุยังไม่ถึงสามสิบปีเต็มเอ้าเราอายุสามสิบปีครับอายุสี่เก้าสี่แปดปีสี่หกปีใครจะหนุมกันบ้ะเราต้องหนุนกวดหลวงพ่อเทียนน่ะหลวงพ่อเทียนจะเจอกันไหนสี่หกปีกับอายุสามสิบปีเนี่ย มันต้องเราต้องเจ๋งกว่าอ๋อมั่นใจกันไปหาเตียงออกมานั่งมานอนใกล้ๆกะตีหลวงพ่อเทียนจะดูหลวงพ่อเทียนว่าจะเจ๋งหรือหลวงพ่อเทียนนะหลวง พ, อ พ, อ พ, อพอ่อบอกว่าให้ทําเงินเราบอกนะเอาการบอกว่าเทียนไม่พอต้องมาดูลงพ่อเทียนเลยเอาเตียงออกมาแต่ก่อนไม่มีกะตีนะเอาเตียงหามเตียงออกมา มาอยู่ไม่ไกลเกินไปพอเห็นหลวงพ่อเทียนทุกเวลาแลาท้ทีเอา้าพอเอาเทียงออกมาเห็นหลวงพ่อเทียนเอา้าคนมาหาหลวงพ่อเทียนะ่ะเมื่อคนมาหาหลวงพ่อเทียนเราต้องไปรับแขกไปปูเสือ่อไปให้น้ําตอนรับแขกให้หลวงพ่อเทียนเมื่อคนนี้ไปเราไปเจ็บเสือ่อเจ็บน้ํา เอาไปมาไม่ได้แต่ความเพียรเลยมัวแต่คอยดูคนที่มาหาหลวงพ่อเตียนอุย้ยไมได้แบบหามเตียงหนีเข้าไปไปอเอหลวงพ่อเตียนจะมีไม่มีมก็ไม่เป็นไรเราจะหลวงพ่อเตียนสอนยกมือช่างว่าแล้วก็นีสุดแล้วยกมือช่างวะ ท, ท, ท, ท, ท, ทําไปัำเทียบอะลรมีไหมพอกเรามีกับลังใจกันบางเทียบอะลรนะ อายุเท่าไหร่ก็ตามเทียบไหลได้เลยใครก็รู้ได้ไม่ใช่คนหุุมคนแก่ไม่ใช่นักบวชไม่ใช่คารวะไม่ใช่คนเจ็บไข้ได้ป่วยเลยผมรู้จึงตัวทำได้ทุกคนนะมั่นใจนี่ก็วันนี้เราก็มีโอกาสพบกันนะเราไม่ได้พบกันหลายวันแล้ว้อนตาก็ไม่เคยคินแบบนี้อยากเห็นหน้ากันทุกวันนะสมัยก่อนก็มี การที่จะกรรมฐานแค่แบบเบเกเบแต่ว่าหลงตาเข้มแต่มาทำวัดกับหลวงพ่อเถียนทุกวันมาฟังหลวงพ่อเถียนพูดทุกวันตอนเช้าตอนเย็นแต่ก็เข้มไปอยู่กับการปฏิบัติธรรมเชิดกับการมีสติบางรูปก็ไม่มาทำวัดขอปรนนาไม่มาฉันไม่มาทำวัดแต่เรามาฉันกับหลวงพ่อเถียนทุกวันมาทำวัดกับหลวงพ่อเถียนทุกวัน อีกใดที่หลวงพอเทียนพูดเรารู้อี่างใดหลวงพ่อเทียนพูดเราไม่รู้เราก็ทํำตรงนั้นเราไม่ต้องถามท่านหลวงพ่อเตียนก็ไม่ต้องไปสอบอารมณ์อะไรเพียงแต่เรามาฟังสิ่งที่หลวงพ่อเตียนพูดเราก็รู้ในสิ่งที่หลวงพ่อเทียนพูดสิ่งที่หลวงพ่อเตียนพูดเราไม่รู้ก็พยายามทําบางทีเราหลงตรงอตรง ตรงที่หลงบทียนพูดว่ามาไม่ถูกเราก็แช่แนี่เพราะฉะนั้นก็มีประโยชน์บ้างการมาฟังอม่มีประโยชน์บ้างก็ได้แต่ถ้าเราที่จะเอาบุกเบิกไปเลยก็ได้นะวันนี้ก็สมกวบเจ้าเวลากาบพระพร้อมกัน